เรื่องความอัศจรรย์ที่ได้พบโดยมุกดาจิณทะสมบูรณ์ตัวข้าพเจ้าเองเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แนนสุพัทโทวัวดํำขามทำยาวอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นก่อนหลวงปู่แนนจะลัสังขารท่านสั่งไว้ว่า